ผู้พึงหมายความสุขอิสระภายในที่สูงขึ้นไปจะได้ยินท่านสอนให้ละสละกามให้ปลดเปลื้องตัวพ้นไปจากวัตถุทั้งหลายแต่สำหรับขรือหัดชนหรือบรรดาชาวบ้านซึ่งในบาลีคำเรียกชาวบ้านมีมากมายเช่นขรือหัดขหัดขีิกามโัโคขีสาคารอาคาริกอาคาริกเคหวาสีครเมสี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 เพื่อให้ถึงความสุขที่เป็นนิรามิตรที่ว่าสุขได้อย่างดีโดยไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยกามนั้นอนุปุพิกานี้แท้จริงในพระไตรปิฎกและในคำภีทั้งหลายมีเรื่องย่อยที่เรียกว่าคถาเพียงสามคือฐานกถาศีลกถาและสักคาถาเท่านั้นส่วนกามาทีนบและเน่ฆัมมานิสงไม่มีคถาต่อท้าย ทำนองเป็นเทศนาสืบเนื่องโดยปราศรบระในสามคาถาแรกโดยเฉพาะสักคาถาเพื่อชี้ทางออกสู่การก้าวถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปแต่ในตำราสมัยหลังนี้มีการตั้งคำศัพท์ขึ้นเป็นคาถาที่สและที่หว่ากามาทีนวะกถาและเนกขมานิสังสกักาถาแม้แต่ในเล่มคมภี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 ส่วนมากก็อยู่เป็นครืหัดครองบ้านครองเรือนปกครองหมู่ชนหรือชุมชนต่อไปอย่างบริโภคกามโภคะเสพกามะสุขแต่เป็นการมะสุขที่มีนิรามิสุขประสานพร้อมกันไปด้วยอันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้กามะสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหายมีแต่เสริมสร้างประโยชน์สุขและความดีงามทําให้อริยชนนั้นดําเนินชีวิตเป็นหลักและเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและสังคม